ข้อความในสัมมาทิฏฐิสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญธาหน้า520ข้อ110ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> ครั้งหนึ่งหรือในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวธีครั้งนั้นแลท่านภาษารีบุตรเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาว่า คุณคุณมาจากคําว่าอาวุโสมาดูก่อนอาวุโสหรือคุณผู้มีอายุว่างั้นพิสูจน์เหล่านั้นก็รับสนองคําของท่านพระสารีบุตรแล้วมาดูว่าพระพิสูจน์เข้าสนทนากันเรื่องอะไรเนี่ยนะอัครสาวกกับพระพิสูจน์ทั้งหลายท่านสนทนากันอย่างไรนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะผู้ที่เป็นธรรมทายาทผู้ที่รับโพธิปัจขยธรรมจากพระพุทธเจ้าผู้ที่รับมรดกมาจากพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นท่านสนทนากันอะไรกันเนี่ยนะท่านอนุวัตพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรภาษาดีบุทก็เริ่มขึ้นก่อนคือภาษารีบุตรได้กล่าวคํานี้ว่าคุณหรืออาวุโส ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องดังนี้ด้วยเหตุกี่ประการนะหมายว่าด้วยเหตุเท่าไหร่อวุโสพระอริยสาวกจึงเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกมีความเห็นที่ตรงผู้ที่มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงอย่างนี้แล้วอ่ะประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะ โดยไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนได้เป็นผู้เข้ามาสู่พระสัจธรรมนี้แล้วคำถามนี้ดีมากนะภาษาริบุถามเข้ามาเห็นด้วยมากอย่างยิ่งเลยเอาใหม่นะด้วยเหตุเท่าไหร่หมายขอว่าถามถึงสาเหตุเหตุมีเหตุมีวิธีกี่วิธีกันแน่มีวิธีการปฏิบัติกี่วิธีที่พระอริยาสาวก ป, ปฏิบัติตามนั้นแล้วเข้าใจอย่างถูกต้อง เห็นถูกต้องเห็นตรงผู้ที่เห็นตรงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเป็นมีอจฉะศรัทธามีศรัทธามั่นคงไม่หวนไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เลิกนับถือพระพุทธเจ้าไม่เลิกนับถือพระธรรมไม่เลิกนับถือพระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงพระสัธรรมเป็นผู้เข้าถึงโลกุตรธรรมแล้วเนี่ยนะสาเหตุอะไรบ้าง าแสดงว่าท่านเห็นคุณค่าของสัมมาทิฏฐิอย่างเต็มที่เพราะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเต็มที่แล้วเนี่ยนะมีไหมศรัทธาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนศรัทธามั่นคงแน่วแน่อาจาระศรัทธาดังนขอให้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วเอกสาเหตุที่ทําให้เข้าใจถูกต้องมีกี่ประการวิธีที่จะทําให้เกิดความเข้าใจถูกต้องน่ยมีกี่วิธีด้วยกันนะ อยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจถูกต้องเหลือเกินอยากจะบรรลุมรรคผลอยากจะปฏิบัติขอรู้หน่อยเธอว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเท่าไหร่กันนาะจิงภาษาริบุตรถามเพื่อจะตอบเองอะ่ะแล้วทีนี้พระภิกษุทั้งหลายพอได้ฟังภาษาริบุตรถามอย่างนั้นก็กราบเรียนว่าใต้เท้าครับเนี่ยเป็นถ้อยคําที่เคารพมากนะเคารพมาก ว่ากระผมทั้งหลายมาจากที่ไกลมาจากชนบทต่างๆมาจากทิศต่างๆที่มานี้ก็เพื่อจะฟังอักขาธิบายภาสิดนี้ในสานักของใต้เท้ า, านะท่านจะไม่เดาสุมเสียงว่าไปเรื่อยไหมนะหมายความว่าถ้าอยู่ต่อหน้าพระสารีบุตรแล้วทำไมเราต้องเดาด้วยใช่ไหมเพรา ะ, ะมาจากที่ไกลอย่างนี้ก็มาเพื่อจะฟังเรื่องนี้แหละโอ้ดีจริงๆเลยนะที่ท่านยกประเด็นนี้มาอยากต้องการเข้าใจจริงๆ ขอได้โปรดเถิดนะขอมีใจกรุณาเถิดขอรับใต้เท้าเท่านั้นแหละเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งขอเนื้อความแห่งภาษตนี้นะให้ให้ท่านเนี่ยโปรดชี้แจงวางั้นเถอดพิกูุทั้งหลายได้ฟังอัตถาธิบายคำขยายความเนื้อความอย่างพิสดารของใต้เท้าแล้วจักพากันทรงจำเอาไว้นนะ หมายความว่าขอให้ท่านแสดงเถอหน้าที่การบอกการแสดงการอธิบายขยายความให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้องขอท่านได้โปรดสงเคราะห์มีใจกรุณาสอนอย่างให้เข้าใจให้ดีเถอพวกภิกษุทั้งหลายคือพวกกระผมทั้งหลายเมื่อฟังฟังจนมีความรู้ความเข้าใจจะจําเอาไว้เมื่อจําแล้วก็เอาไปพิจารณาเมื่อพิจารณาก็เอาไปภาคเพียนประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่ท่านสอนทุกประการขอให้มีใจกรุณาบอกมาเถอ ภาษาริบุตรก็กล่าวเตือนว่าถ้าเช่นนั้น น, นะเหตุที่ท่านบอกให้ข้าพเจ้าแสดงเหตุที่ท่านตั้งใจว่าท่านจะฟังถ้าเช่นนั้นนะขอให้ท่านทั้งหลายจงพากันตั้งใจฟังเพราะการตั้งใจฟังเป็นประโตโะูโศกนะการตั้งใจฟังเป็นอัตตะสัมมาปณิธิภาษาริบุตรแสดงทำออกไปก็เป็นประโตโะูโศกนะมันตั้งใจโยนิโสมนสิการให้ควรตามธรรมะนั้นให้ดี ผมจะกล่าวก็บอกว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิที่โยนิโสมนัิการภายในให้ดีเนี่ยนะเพราะว่าพระสารีบุตรนี้เป็นทำที่พระสารีบุตรสอนเนี่ยเป็นกระแสแห่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแน่นอนไม่มีผิดพลาดพานันขอให้เงี่ยโสรลงฟังเธอภิกษุเหล่านั้นก็รับคำเตือนของท่านพระสารีบุตรเถระว่าพร้อมแล้วใต้เท้าวัง น, นั้น าสารีบุตรได้กล่าวคํานี้ว่าอาุโสด้วยเหตุที่พระอริยสาวกรู้ชัดกุศลพร้อมทั้งอกุศลมูลคือรากเงาของอกุศลรู้ชัดกุศลพร้อมทั้งกุศลมูลคือรากเงาของกุศลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใส ในธรรมะอันไม่คลอนแคลนบรรลุสัตยธรรมนี้ได้มาสู่พระสัตยธรรมนี้อันนี้เป็นการแสดงแบบย่อย่อจริงๆกันนะรู้จักกุศลและกุศลลมูลรู้จักอกุศลและอกุศลลมูลถ้ารู้รู้ชัดนะรู้รู้จักกุศลและอกุศลรู้จักอกุศลและอกุศลลมูลรู้จักกุศลและกุศลลมูลถ้ารู้ชัดอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเริ่มใส่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แต่ท่านใช้คําว่ารู้ชัดนะรู้ชัดรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยอริยมรรคปัญญารู้ชัดด้วยมรรคปัญญานะไม่ใช่รู้ชัดธรรมดาอันนี้เรีย ว, ว่าเป็นธรรมเทศนาแบบย่อทีนี้แบบพิสดารที่พระสารีบุตรขยายต่อไปว่าก็อะไรเล่าอากุศลเนี่ยคืออะไรเล่าคุณอกุศลก็คือ ปานาติบาตอภินาทานกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพรศวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชฉาทิฏฐิทั้งสิประการนี้แหละคุณเรียกว่าอกุศลอกุศลก็คืออากุศลกรรมมาบทสิบอกุศลกรรมบทสิบนี่แหละชื่อว่าอกุศลเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดเอาแล้วมูลของอกุศลหรือที่เรียกว่าอากุศลมูลเนี่ยเป็นอย่างไร อกุศลมูลคือโลภะรากเงาแห่งความชั่วร้ายคือโลภะรากเงาแห่งความชั่วร้ายคือโทสะรากเงาแห่งความชั่วร้ายคือโมหะนี่แหละคนเรียกว่ารากเงาแห่งอกุศลรากเงาแห่งปานาติบาตเป็นต้นก็คือความโลภความโกรธและความลุ่มหลงโลภะโทสะโมหะเป็นรากเงาแห่งความเลวสารพัดชนิดเนี่ยนะก็โลภะโทสะโมหะนี่เป็นรากเง้าแห่งความเลวคือ udge, าการฆ่าฆ่านี่บวกสงครามด้วยนะ อาฆาตบวกสงครามด้วยมบวกอธินาทานก็บวกการทุจริตสารพัดน่นะการเมสูมิชาจา์ก็บวกถึงการอะไรขมคืนกระทำชำเราสารพัดอย่างนะตลอดจนมุสาวาตความหลอกลวงความโป้ปดมดเท็ปเป็นต้นนะ่นะเดี๋ยวจะได้อธิบายตอนหลังๆอีกสรุปว่าอากุศลคืออากุศลกรรมบท10ประการอากุศลมูลก็คือ โลภะโทสะและโมหะเป็นมูลของบาปอากุศลทุกชนิดกุศลคืออะไรเล่าคุณกุศลคืออะไรกุศลคือปานาติปาตาเวรมณีปฏิวิรตโตเนี่ยนะการเว้นจากปานาติบาตการงดเว้นจากอธินนาทานการงดเว้นจากการเมสุมิจฉาจารการงดเว้นจากมุสาวาตการงดเว้นจาก ปิสุณาวาจาการงดเว้นจากพุทธสวาัจาการงดเว้นจากสัมผัสปลาปะอนาพิชาการกำจัดความโลภอภิยาบาทการกำจัดความโกรธสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละคุณเรียกว่ากุศลกุศลก็คือกุศลกรรมบทสิบประการส่วนรากเงาแห่งกุศลเป็นไงนะรากเงาแห่งกุศลคืออโลภาอโทสะอโมหะ อโลภะคือธรรมที่กำจัดความโลภอโทสะคือธรรมที่กำจัดความโกรธอโมหะคือธรรมที่กำจัดความรุ่มหลงสามประการนี้เรียกว่ารากเงาแห่งกุศลคือการกำจัดความโลภความโกรธความหลงปฏิปักิต่อความโลภความโกรธและความหลงนี่แหละเป็นรากเงาแห่งกุศลคุณเมื่อใดแลอริยสาวกรู้อกุศลพร้อมทั้งอกุศลมูลคือรากเงาของอกุศล รู้ชัดกุศลพร้อมทั้งกุศลมูลคือรากเง่าแห่งกุศลอย่างนี้แล้วรู้ชัดด้วยการแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอจะละกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคานุสนะครับบรรเทากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะปฏิคานุใสทอนทิฏฐานุัยและมานานุไส ว่าเรามีอยู่ได้แล้วและอวิชชาได้ทุกอย่างอย่างวิชาคืออรหาตาัตธรรมให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทํำที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วคนอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะอันไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วดังนี้นั้นก็แสดงว่ารู้จักกุศล กุศลมูลรู้จักอากุศลอากุศลมูลถ้ารู้จริงนี่เป็นพระอรหันต์ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องจริงๆก็เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมแสดงว่าเรายังอยู่กันธรรมดาธรรมดานี่แสดงว่ า, ากุศลกับ อ, ก, อกุศลกับกุศลมูลอากุศลกับอกุศลมูลนี่ยังเข้าใจไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าที่ควรใช่ไหมไม่ถูกต้องทีเพราะว่าเนี่ยเาพูดที่เขาเข้าใจถูกต้องเขาบรรลุอ่ะ ของเราก็ยังอยู่ของเราได้ปกติของเราบอกว่าเรารู้เรื่องนี้แต่ว่ายังอยู่ตามเดิมนี่ก็แปลว่าเข้าใจไม่จริงนะนะ้อรู้ยังไม่ถูกต้องเอ๊ะรู้ถูกต้องรู้แค่ไหนยังเรียกว่าถูกต้องในอัตรกระทานหน้าห้ารอสภาษารียบุตรคำถามของภาษารีบุตรเป็นกเทตกกรรมมยตาปุชชาท่านถามเพื่อจะตอบเอง ในคําถามเหล่านั้นเนี่ยนะที่ถามเกี่ยวกับเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะอะไรทําไมจึงถามแบบนี้เพราะว่าคนทั้งหลายเข้าใจในสัมมาทิฏฐิก็มีไม่เข้าใจในสัมมาทิฏฐิก็มีก็แปลว่าคนที่เข้าใจถูกต้องกับเข้าใจแบบผิดผิดก็มีนะเข้ารู้จริงกับไม่รู้จริงก็มีนะ บ, <c oughs> บางคนก็รู้จริงบางคนก็ไม่รู้จริงบางคนก็รู้ปลอมบางคนก็ รู้แคบแคบบางคนก็รู้อย่างกว้างขวางแตะในความความเข้าใจหรือสัมมาทิฏฐิอันนั้นเนี่ยบางคนก็แว่วแววมาเกิดมาก็ผ่านโ อ, อ้ออสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องไม่รู้เข้าใจอะไรถูกต้องก็ไม่รู้แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิแบบคนนอกาศาสนาก็มีแบบภายในาศาสนาก็มีกล่าวสัมมาทิฏฐิบางคนก็พูดตามที่ตัวเองเคยได้ยินได้ฟังตามกันมาด้วยการไปตรึกไปเพ่ง ไปไข้ครวญบางคนก็เห็นประจักษ์ด้วยตนเองมาก็มีบางคนที่เรียกว่าจําแต่คําพูดเข้ามาก็มีบางคนนี่เข้าใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีเพราะเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐินั้นความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีมากมายหลายประการแต่คําถามที่พระสารีบุตรถามไม่ใช่ถามธรรมดาเพราะถามเหตุที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ดีแล้วอ่ะ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระศาสนานี้หมายความว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วไม่มีควาว่าเปลี่ยนอีกแล้วต่อไปเลยนะก็เลยย้ำที่เรียกว่าย้ำถึงสองครั้งว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุเท่าไหรนะคุณอริยาสาวกจึงชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐินั้นหมายถึงอะไรความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรสัมมาทิฏฐิคืออะไรก่อนสัมมาทิฐิที่เรียกว่าความเห็นถูกต้องก็คือความเห็นที่ดีงามสุนทระษณดีงามเป็นความเห็นที่ประเสริฐเป็นความรู้ความเห็นที่น่ายกย่องสัรเสริญเพราะเมื่อรู้เห็นถูกต้องอย่างนี้แล้วดับทุกข์ได้เมื่อความรู้ความเห็นที่รู้เห็นแล้วพ้นจากความทุกข์ได้ความรู้เห็นนี้แหละจึงประเสริฐและก็ดีงาม นะสมมติทิเพราะความเห็นที่ประเสริฐและดีงามเพราะผู้ที่รู้เห็นตามนี้แล้วทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อันที่เรียกว่าสัมมติทินั้นจึงเรียกว่าเป็นความเห็นที่ดีงามเป็นความเห็นที่ประเสริฐสมมติทินั้นตรงนี้แบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันคือสมมาติฐิที่เป็นโลกิยะสัมมาติฐิกับโลกุตระสัมมาติฐิในจํานวนสมมติทิสองอย่างนั้นนะ โลกิยสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองอย่างคือก ร, รมมักตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิกยายนเชื่อว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิกรรมัมมัศกตาสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือความที่รู้ว่าการให้ทานนั้นมีผลการรักษาศีนั้นมีผล การทำดีทำชั่วกับพ่อแม่มีผลสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีโอปปาติกะมีพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่ปฏิบัติชอบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงอันนั้นแหละเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิตลอดจนถึงความรู้ในปฏิจจสมุปบาทก็นับเนื่องในกรรมสกตาเนี่ยนะกรรมสกตา เพราะกรรมมักตาที่เต็มสมบูรณ์นั้นสามารถกําหนดจําแนกแยกแยะในเรื่องของจุติและปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิแล้วกรรมอะไรที่นําปฏิสนธิในที่ต่างๆเรากรรมอะไรหนอเป็นตัวที่นําปฏิสนธิในที่ต่างๆความรู้ความเข้าใจถึงเหตุที่กรรมนําเกิดในภพต่างๆรู้รู้เข้าใจกรรมที่นําเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรชานกรรมที่นําเกิดในมนุษย์และเทวดาเป็นต้นการที่แยกแยะได้อย่างนั้นนั่นแหละเป็น กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิแยกเหตุแยกผล น, นะบางในเขาบอกว่ากรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิรู้ความที่มีกรรมเป็นของตนเนี่ยเป็นยังไงกรรมเป็นของตนก็รู้ว่ากุศ ล, ลกรรมเนี่ยเป็นของตนรู้ว่าอกุศลไม่ใช่ของตนอกุศลเนี่ยเรียกว่าของเราได้ไหมเอาความเลวร้ายเนี่ยนะใครค่อยไปที่ไหนแล้วโอ้โหเล่าแต่ความเลวร้ายของตัวเองเนี่ยนะนะอยากจะปิดอยากจะ กลบอยากจะเกลื่อนอยากจะให้มันลืมเลือนให้มันหายไปให้หมดเลยนะเพราะอะไรเพราะมันเพราะมันให้มาซึ่งความเดือดร้อนความทุกข์ความเร่าร้อนมั้นกุโซลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของตนแต่กูโซลธรรมทั้งหลายเป็นของตนเพราะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขอะไรก็ได้ที่รับเรียกว่าอะไรนะรับสิ่งนั้นพร้อมทั้งน้ำตานี่อยากต้อนรับไหม ด้วยความเศร้าโศกเสียใจแม่ไม่อยากต้อนรับสิ่งนั้นเลยอากุศลเนี่ยมันรับทั้งน้ําตาเนี่ยนะรับด้วยน้ำตาเนี่ยท่านก็เลยไม่ต้องการซึ่งต่างจากกุศลกุศล น, นี่ยิ้มรับเลยนะน่าจะมาเร็วๆหน่อยนะผลบุญยังไงใชแต่ผลบาปเนี่ยโอ้โหผลัดได้ก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนะท่านกรรมสกตารู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นของตนอากุศลไม่ใช่ ของตนเพราะว่ากุศลให้ผลเป็นความสุขความเจริญอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์และความเดือดร้อนท่้นความที่รู้ว่าบุญนี้เป็นสมบัติของตนบาปไม่ใช่สมบัติของตนนั่นแหละเรียกว่ามีกรร ม, มสกตาเมื่อรู้ว่าบุญว่าบาปเป็นบุญเนี่ยให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์ชีวิตของสัตว์ที่ไหลไปในสังสารวัฏเนี่ยนะ ก็เสวยกรรมทำกรรมแล้วก็เสวยผลของกรรมทำกรรมเสวยผลของกรรมสืบเนื่องกันไปคล้ายกับเชือสายแห่งผลไม้ผลไม้นี่ปลูกเป็นลำต้นได้เมล็ดมาเอาเมล็ดไปเพาะปลูกปลูกแล้วเจริญเติบโตแล้วก็ได้เมล็ดมาอีกก็เพาะปลูกเชื่อมโยงต่อกันไปอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเมื่อไหร่จะจบนะสายสัมพันธ์แห่งพืชชนิดนี้เมื่อไหร่จะจบ ชันใดสังสารวัตรก็สืบเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้น